สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ครั้งสยองและวันนี้ก็อีกเช่นเคยผมมีเรื่องเล่ามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันครับเรื่องเล่าเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าผีกเรเหลี่ยงคอยาวเรื่องเล่าสยองของหมู่บ้านบนเขาเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดมาแล้วประมาณ5ปีครับเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบใหม่ เลยต้องหาโรงพยาบาลที่จะไปประจําเพื่อที่จะหาประสบการณ์ให้กับตัวเองซึ่งส่วนตัวผมเองแล้วนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบธรรมชาติเอามากๆเลยครับเลยเลือกที่จะไปเป็นหมอประจําอยู่ที่หมู่บ้านที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือผมขอไม่พูดชื่อจังหวัดแล้วก็ไม่ขอเอ่ยถึงชื่อหมู่บ้านละกันครับเพราะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ใครบางคนที่จะต้องไปเป็นหมอที่นั่นต้องลําบากใจแน่ๆว่าแล้วก็เข้าเรื่องเลยละกันนะครับ พอดีตอนนั้นหมู่บ้านที่ผมจะไปประจำเนี่ยหมอเขาเพิ่งลาออกไปพอดีทำให้ผมได้มีโอกาสไปเป็นหมอที่นั่นแทนผมก็เริ่มจะหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหมู่บ้านก่อนที่จะไปจึงทำให้ผมรู้ว่าหมู่บ้านที่ผมจะไปนั้นมันอยู่บนยอดดอยท่ามกลางธรรมชาติอย่างที่ผมชอบเลยครับความจริงมีกําหนดการอีกหนึ่งอาทิตย์ที่ผมจะไปประจาที่นั่นแต่ตัวของผมเนี่ยมันทนรอไม่ไหวก็เลยตัดสินใจที่จะไปที่นั่นเลยดีกว่า จะได้ไปเที่ยวแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับสถานที่นั้นก่อนด้วยผมก็เลยเดินทางไปในตอนเช้าของอีกวันโดยรถไฟฟรีครับเพราะคิดว่าไม่ได้เร่งรีบอะไรและจะได้ชมวิวข้างทางสวยๆไปด้วยผมมาถึงก็เกือบสามทุ่มแล้วครับแล้วก็จะต้องเดินทางต่อเข้าไปในหมู่บ้านอีกประมาณ70กิโลเมตรเออนั่นคุณหมอเดชาใช่ไหมครับคุณลุงคนหนึ่งใส่ชุดแปลก น่าจะเป็นชุดของชนเผ่าอะไรสักอย่างเดินมาถามผมโดยสำเนียงที่ผมไม่ค่อยจะคุ้นหูเท่าไหร่แต่ผมก็พอจะฟังรู้เรื่องครับอ่าใช่ครับผมหมอเดชชายครับอ่าแล้วนี่ใช่คุณลุงเซิงดูหรือเปล่าครับเออผมลืมบอกไปครับก่อนที่ผมจะมาที่นี่ผมได้โทรนัดกับคนคนหนึ่งในหมู่บ้านไว้ว่าจะมาถึงตอนไหนแล้วเขาก็บอกว่าจะให้คนในหมู่บ้านที่ชื่อเซิงดูออกมารับก็น่าจะเป็นลุงคนนี้แหละครับ อ่าใช่ใช่ครับคุณหมอเรารีบไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะมืดเข้าไปกว่า น, นี้แกตอบผมด้วยน้ำเสียงที่ดุเล็กน้อยและท่าทางแกจะดูกังวลกับเรื่องอะไรสักอย่างแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรหลังจากนั้นแกก็มาช่วยผมยกกระเป๋าไป2ใบแล้วก็เดินนำหน้าผมไปไวมากๆจนผมแทบจะเดินตามแกไม่ทันเลยหรอกครับพอมาถึงที่รถก็เป็นรถกระบะเก่าๆดูท่าทางไม่น่าจะขับได้ด้วยซ้ครับ ผมก็รีบเอากระเป๋าวางไว้ที่กระบะท้ายเสร็จแล้วก็มานั่งหน้ารถกับลุงเซีงดูขับรถออกมาได้สักพักแกก็ไม่ยอมพูดอะไรกับผมเลยสักคําส่วนตัวผมก็ไม่กล้าจะพูดกับแกก่อนเหมือนกันต่างคนก็เลยต่างเงียบไปแต่ว่าสักพักหนึ่งแกก็พูดขึ้นมาว่าเอ่อถ้าคุณหมอเห็นอะไรอย่าไปทักนะแล้วก็ไม่ต้องหันไปมองด้วยนะคุณหมอผมก็ไม่รู้ว่าแกหมายถึงเห็นอะไรก็เลยถามแกกลับไปว่า เอาเห็นอะไรเหรอครับลุงผี เ, เหรอครับพอผมพูดจบแกหันมามองหน้าผมตาขวางเลยครับหน้าตาแกจริงจังมากๆแล้วแกก็หันกลับไปขับรถต่อโดยที่ไม่พูดจาอะไรต่อเลยสักคำส่วนตัวผมก็ตลกแปกนละครับไม่กล้าจะถามอะไรแกต่อเหมือนกันได้แต่คิดในใจว่ามันเริ่มจะแปลกๆแล้วนะลุงคนนี้แกเป็นอะไรของแกมากหรือเปล่าสงสัยจะโรคจิตหรือไม่ก็เมายาแน่ ในขณะที่ผมนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยสักพักสายตาผมก็เห็นบางสิ่งบางอย่างรูปร่างคล้ายๆคนยืนอยู่ตรงริมชายป่าฝั่งด้านซ้ายมือของผมเมื่อผมเห็นอย่างนั้นผมก็พยายามที่จะมองไปเรื่อยๆว่าใครมาทําอะไรที่มืดๆเปี่ยวๆคนเดียวอย่างนี้ในขณะที่ผมใจจดใจจ่ออยู่กับการมองก็มีมือหนึ่งมาตบที่ไหล่ของผมผมสะดุ้งอย่างแรงเลยครับแต่ก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องอะไรไป พอหันกลับมามองที่มือนั้นมันก็เป็นมือของลุงเซิงดูนั่นแหละครับแกมาจับไหล่ของผมเอาไว้พร้อมกับใส่หน้าเหมือนกับพยายามจะบอกว่าอย่าไปมองผมก็พอเข้าใจนะครับแต่ด้วยความสงสัยผมก็เลยหันกลับไปมองอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ผมก็ไม่เห็นอะไรแล้วครับผมก็เลยคิดไปเองว่าผมจะต้องตาฝาดหรือไม่มันก็คงจะเป็นต้นไม้ละมัง้งแล้วผมก็ไม่ได้สนใจอะไรต่อจากนั้น สักพักลุงเซิงดูกับผมก็มาถึงที่หมู่บ้านซึ่งมันเงียบแล้วก็มืดมากเลยครับคงอาจจะเป็นเพราะว่ามันดึกแล้วละมัง้งหลังจากนั้นคุณลุงเซิงดูก็พาผมไปส่งที่บ้านพักซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าหมู่บ้านสักเท่าไหร่พอถึงแล้วเกก็ช่วยผมขนของลงจากรถพอเสร็จแล้วเกก็รีบกลับไปทันทีแต่ก่อนที่เกจะไปเกก็บอกผมว่าถ้าดึกๆมีใครมาเรียก ไม่ต้องไปนะหมอแล้วก็อย่าไปเด็ดขาดผมก็ว่าจะถามแกว่าทำไมแต่ก็ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าแกไปซะละพอแกกลับไปผมก็รีบขนของเข้าไปในบ้านทันทีความจริงจะเรียกบ้านก็คงจะไม่ถูกสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันหลังเล็กมากๆแล้วก็ทำจากไม้ไผ่ทั้งหลังเลยผมว่ามันน่าจะเป็นกระท่อมซะมากกว่าพอผมจัดข้าจัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นอนเลยครับน้าก็ไม่ได้อาบ เพราะว่าเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวันพอผมตื่นมาในตอนเช้าของอีกวันผมก็รีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปเดินสำรวจรอบๆหมู่บ้านในระหว่างที่ผมกำลังเดินเดินก็ไปเจอกับลุงเซงดูโดยบังเอิญผมก็เลยเข้าไปทักแก่ครับอ้าวสวัสดีครับลุงอ่าวสวัสดีครับคุณหมอแหตื่นเช้าเลยนะครับแปลกมากครับวันนี้แกดูผิดกับเมื่อวานโดยสิ้นเชิงเลย แกยิ้มแล้วก็พูดดีกับผมเหมือนกับไม่ใช่คุณลุงเสียงดูเมื่อวานเลยผมก็ย็ยนคุยั บ, บแกไปสักพักแกก็ถามว่าผมจะไปไหนผมก็เลยบอกแกไปว่าว่าจะไปเดินสำรวจแล้วก็เดินเที่ยวรอบๆหมู่บ้านดูว่ามีอะไรบ้างแกก็เลยขออาสาเป็นคนนําเที่ยวผมเองเลยผมก็เลยตอบตกลงแล้วแกก็พาผมเดินไปดูทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านบรรยากาศในหมู่บ้านนี้สวยมากๆครับ น่าจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยอากาศก็ดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากแถมยังสงบไม่วุ่นวายอีกด้วยแต่ในระหว่างที่ผมเดินเดินไปรอบๆก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่จะมีเด็กคนแก่ครับไม่ค่อยมีเด็กหรือวัยรุ่นเลยโดยความที่ผมสงสัยผมก็เลยถามลุงเซีงดูไปตรงๆเอ๊ลุงเซียงดูครับ ทำไมหมู่บ้านนี้มีแต่คนแก่ครับผมไม่เห็นมีวัยรุ่นไม่เห็นมีเด็กๆเลยพอคำถามของผมจบลงลุงเซีงดูทำท่าทางเหมือนไม่ค่อยอยากจะตอบผมเท่าไหร่แกตอบกลับมาสั้นๆว่า อ, อ่อไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้เลยแล้วแกก็เปลี่ยนเรื่องคุยกับผมทันทีครับแกบอกผมมาว่าก่อนจะถึงหมู่บ้านเราจะเป็นหมู่บ้านของเกลียงคอยาวที่หมอเห็นตอนที่นั่งรถเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อคือนนันแหละ ผมก็เลยบอกแกกลับไปว่าผมรู้แล้วครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะขึ้นมาจากกรุงเทพผมก็ได้ศึกษาหาข้อมูลเอาไว้หมดแล้วเพราะว่าหมู่บ้านนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ผมจะต้องเข้าไปรักษาคนป่วยด้วยเหมือนกันหลังจากวันนั้นก็ผ่านไปได้สามอาทิตย์ผมก็เริ่มชินกับการใช้ชีวิตในหมู่บ้านนี้มากขึ้นส่วนเรื่องการรักษาผู้ป่วยก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกวันจนมาถึงวันนี้ วันที่ทำให้ผมต้องจดจงไปตลอดชีวิตและทุกครั้งที่คิดถึงมันก็ทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวหลังจากที่ผมตรวจคนไข้ครสุดท้ายเสร็จผมก็กลับมาที่บ้านพักตามปกติเหมือนอย่างทุกๆวันพอมาถึงผมก็รีบหาข้าวหาปลากินทันทีเพราะว่าจะต้องจดบันทึกผู้ป่วยต่อหลังจากนั้นผมก็นั่งทางานของผมไปเรื่อยๆจนเวลาประมาณ3ามทุ่ม ผมก็เลยลงไปอาบน้ําเพื่อเตรียมตัวจะขึ้นมาอ่านหนังสือต่อโดยปกติผมจะต้องอ่านหนังสือประมาณครึ่งชั่วโมงครับถึงจะนอนแต่คืนนี้ผมอ่านเพลินไปหน่อยดูนาฬิกาก็ประมาณ5้าทุ่มแล้วผมก็เลยเลิอกอ่านหนังสือแล้วก็มาสวดมนต์ก่อนนอนแต่ในขณะที่ผมกําลังสวดมนต์อยู่นั้นก็ได้ยินเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเรียกผมมาจากด้านหน้าของประตู เธอเรียกผมซ้ำๆอยู่อย่างนั้นหลายครั้งผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็นึกว่าชาวบ้านป่วยแล้วมาขอความช่วยเหลือผมก็เลยเปิดประตูออกไปทันทีพอผมเปิดประตูออกไปก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่อายุน่าจะประมาณ1 2บสถึงสิปีครับแต่ว่าไม่น่าจะใช่เด็กในหมู่บ้านนี้เพราะว่าดูจากการแต่งกายแล้วก็สำเนียงการพูดผมก็เลยถามเธอไปว่ามีอะไรให้หมอช่วยเหรอแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาประมาณว่า ยากหรือยายของแกนี่แหละไม่สบายหนักมากอยากให้ผมไปช่วยรักษาให้หน่อยอยู่ที่หมู่บ้านข้างๆนี่เองผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็พอจับใจความได้ผมก็เลยบอกแกให้ยืนรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมเข้าไปเก็บของในบ้านก่อนแต่ในระหว่างที่ผมกำลังเก็บของอยู่ดีๆคำพูดของลุงเซีงดูก็แวบเข้ามาในหัวของผมถ้าดึกๆมีใครมาเรียกไม่ต้องไปนะหมออย่าไปเด็ดขาด มันเป็นคำพูดที่ลุงแกเตือนผมไว้ในวันแรกที่เจอกันแต่ส่วนที่้ามออกไปไหนกับใครนั้นแกก็ไม่ได้บอกผมเอาไว้ซะด้วยแต่ด้วยความที่มันเป็นหน้าที่ของผมผมจึงต้องไปรักษาผู้ป่วยผมก็เลยไม่ได้สนใจคำพูดของลุงเซียงดูที่แกเคยบอกเอาไว้แล้วก็ตัดสินใจไปกับเด็กแปลกหน้าคนนั้นในทันทีหมู่บ้านที่ผมกำลังจะเดินทางไปเป็นหมู่บ้านกระเลียงคอยาวครับอยู่ห่างจากหมู่บ้านที่ผมอยู่ประมาณ3กิโลเมตร การเดินทางของผมจึงต้องใช้รถจั ก, กรยานยนต์ซึ่งเก่ามากที่คนในหมู่บ้านเอาไว้ให้ใช้เวลาไปไหนมาไหนผมขี่ออกมาจากหมู่บ้านได้สักพักโดยที่มีเด็กผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายรถมาด้วยในระหว่างเส้นทางที่ผ่านมาไม่มีแสงไฟเลยสักดวงมีเพียงแค่แสงไฟจากหน้ารถคันเก่าๆซึ่งมันก็ติตดๆดับๆซะด้วยผมขี่มาเรื่อยๆโดยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันช้ามากครับ พอรถมันก็เก่ามากแล้วระหว่างทางผมเริ่มจะสังเกตบรรยากาศอรอบๆของถนนทั้งสองฝั่งจนมาถึงจุดที่ผมจำได้ว่าเห็นอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับคนยืนอยู่ผมก็เลยพยายามที่จะมองไปอีกครั้งแต่ก็ไม่เห็นอะไรครับนอกจากต้นไมย้ยิ่งผมขี่มาเรื่อยๆมันก็ยิ่งเงียบเล่นหนาวมากขึ้นจนทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวและทาให้ผมเริ่มสงสัยว่าเด็กผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายมา ตอนที่เธอมาเรียกผมที่อยู่ในหมู่บ้านเธอมาได้ยังไงเพราะจากระยะทางบวกกับความมืดแล้วเธอไม่น่าจะเดินมาคนเดียวได้หรือถ้ามีใครมาส่งเขาก็น่าจะรอกลับพร้อมๆกันไม่น่าจะปล่อยให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่คนเดียวพอผมคิดได้อย่างนั้นก็ว่าจะหันหลังกลับไปถามเธอซะหน่อยว่ามาได้ยังไงแต่พอหันหลังกลับไปเท่านั้นแหละครับผมก็ต้องตกใจจนรถเกือบล้มแต่ก็ยังไม่แน่ใจกับสิ่งที่เห็นสักเท่าไหร่ ผมก็เลยจอดรถแล้วเหลียวหลังกลับไปดูให้เห็นชัดๆอีกทีของจริงเลยครับผมไม่ได้ตาฝาดไปภาพที่เห็นนั้นก็คือตัวของเธอนั่งซ้อนท้ายรถเป็นปกติและเอามือจับที่เอวของผมไว้แต่หัวของเธอนั่นเองครับมันหมุนกลับไปด้านหลังพร้อมกับหักลงและหลังจากนั้นเธอก็กระโดดลงไปจากรถทันทีแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในป่ายอย่างรวดเร็วส่วนตัวของผมในตอนนี้ ก็ทำได้แค่หันตัวกลับมาได้เพียงแค่เท่านั้นเพราะทุกส่วนในร่างกายตอนนี้มันหนักไปหมดหนักเหมือนกับถูกคนสิบคนจับเอาไว้ไม่ให้ไปไหนแล้วอยู่ดีๆน้ำตาผมก็ไหลออกมาไม่หยุดสักพักผมได้ยินเสียงรูปกระพววดังขึ้นและเสียงนั้นก็เข้าใกล้ผมมาเรื่อยๆจนทำให้ผมสังเกตเห็นเงาดำๆ ค, คล้ายๆกับคนกาลังเดินมาเห็นได้จากไฟหน้ารถที่ริรี่ของผมนั่นแหละครับ ผมพยายามจะส่งเสียงเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาเลยสักนิดผมคิดว่าจะต้องเป็นใครสักคนที่ผ่านมาแถวนี้พอดีแต่ว่าผมคิดผิดครับเพราะว่าเงานั้นมันไม่ใช่คนสิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจอย่างนั้นก็คือคนอะไรจะคอยาวขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นกรเลียงคอยาวก็เถอะยิ่งเข้ามาใกล้ๆผมยิ่งแน่ใจชัดแล้วว่าไม่ใช่คนแน่นอนเท่าที่ผมสังเกตได้เป็นผู้หญิงหลังค่อมครับคอแกยืดหดได้ ยืดเข้าไปในป่าทีแล้วก็หดกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ยืดกลับเข้าไปใหม่เหมือนแกกำลังหาอะไรอยู่สักอย่างส่วนผมจากที่ตัวแข็งอยู่แล้วก็ยิงแข็งหนักเข้าไปอีกแต่แปลกครับที่เหมือนแกจะไม่เห็นผมแต่แกก็ยังเดินไม่หยุดพร้อมกับยืดหดหัวของแกไปเรื่อยๆในตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกแล้วเพราะว่าอีกนิดเดียวแกจะเดินมาถึงตัวผมแล้วก็เลยหลับตาแล้วก็สวดมนต์แถมยังสวดผิผดๆถุกๆอีกต่างหา ผมสวดไปสักพักตัวของผมกระเริ่มเบาขึ้นแล้วจะรออะไรล่ะครับผมกระจับรถแล้วเลี้ยวแล้วก็บิดเข้าไปในหมู่บ้านในทันทีในตอนนั้นน่ะใจของผมมันไปอยู่ที่หมู่บ้านแล้วครับแต่รถมันบิดได้แค่40ผมก็เลยต้องขับไปเรื่อยๆลงเดินดีกว่าขับมาได้สักพักนึงก็นึกว่าจะรอดแล้วก็เลยหันหลังกลับไปดูที่ไหนได้ครับแกวิ่งตามรถผมมาด้วยไอตัวแกน่ะไม่เท่าไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ไกลามากแต่หัวของแกนี่ครับ ยืนเขามากใกล้จะถึงผมแล้วทำไงล่ะครับทีนี้ผมก็ได้แต่ทำใจดีสู้เสือทำเป็นไม่เห็นอะไรแต่เหมือนว่าจะไม่ได้ผลครับเพราะหน้าของแกมันพุ่งเข้ามาอยู่ใกล้ๆหน้าของผมแล้วตาแดงๆของแกจ้องมองมาที่หน้าของผมพร้อมกับเสยแยยิ้มพอผมเห็นแค่นั้นแหละครับผมก็สติแตกเลยแล้วรดของผมก็เสียหลักล้มไปในทันทีหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยครับผมตื่นมาอีกที ผมก็วุ่วายไม่หยุดเลยครับหลับตาแล้วก็ไล่ทุกคนให้ออกไปพอผ่านไปนสักพักเริ่มตั้งสติได้ก็เลยมองไปรอบๆผมเห็นลุงเซ็งดูยืนอยู่ที่ปลายเตียงของผมพร้อมกับพูดว่าอ่าตื่นแล้วเหรอหมอเป็นไงผมบอกแล้วไม่ยอมเชื่อเป็นยังไงโหลุงแล้วทำไมลุงไม่บอกผมให้หมดล่ะครับว่าที่นี่มันผีดุอ่าแล้วถ้าผมบอกไปอ่ะหมอจะกล้าอยู่หรือเปล่าจริงไหม เออลุงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับนี่ใช่ไหมที่เป็นสายได้หมอคนอื่นนะเขาเขาหนีไปจนหมดอะและแล้วผมก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดลุงเสียงดูเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อประมาณสิปีที่แล้วมีแม่ลูกอยู่คู่หนึ่งอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านกระเหลี่ยงที่ผมจะไปเมื่อคืนนี้แหละครับแม่ลูกคู่นี้เป็นคนที่ชอบเก็บตัวไม่ค่อยยุ่งกับชาวบ้านหรือคนในหมู่บ้านสักเท่าไหร่เลยทําให้คนในหมู่บ้านไม่ค่อยชอบ แล้วก็ด่า ว, ว่าสองแม่ลูกนี้กันไปต่างๆนาน า, นาในวันหนึ่งคนเป็นลูกสาวก็ได้หายตัวไปไปมีผัวเป็นคนในเมืองแล้วก็ไปถูกเขาทิ้งแล้วก็แบกท้องกลับมาคลอดที่หมู่บ้านพอคลอดเสร็จได้ไม่กี่วันก็เลยไปผูกคอตายที่ต้นไม้กลางหมู่บ้านเพื่อประชดคนที่ชอบนินทาและลังเกียจครอบครัวของเธอหลังจากวันนั้นมาแม่ของเธอก็ต้องเลี้ยงหลานคนเดียวมาโดยตลอดแต่คนที่เป็นยาย ก, กลัวว่าหลานจะเป็นเหมือนแม่ของมันก็เลยห้ามหลานไม่ให้ออกไปไหนให้อยู่แต่ในบ้านเท่านั้นแต่วันดีคืนดีหลานของแกก็จะมานอนที่ใต้ต้นไม้ต้นที่แม่แกผูคอตายนั่นแหละครับจนทำให้คนในหมู่บ้านพากันกลัวไปหมดอยู่มาคืนหนึ่งคนที่เป็นยายเกิดไม่สบายหนักมากหลานของแกก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะช่วยเธอเพราะว่ากลัวหลานของแกก็เลยวิ่งจากหมู่บ้านกระเรียง มาจนถึงหมู่บ้านที่ผมอยู่เพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือจากหมอแต่หมอก็ไม่ยอมไปรักษายายของเธอโดยข้ออ้างที่ว่ามันดึกแล้วพร้อมกับไล่เธอกลับไปแบบไม่ใยดีหลังจากคืนนั้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นเด็กคนนั้นอีกเลยและในคืนเดียวกันคนที่เป็นยายคงเห็นว่าหลานของตัวเองเนี่ยไม่กลับบ้านสักทีก็เลยออกมาตามหาหลานทาั้งๆที่ตัวเองเนี่ยยังไม่สบายอยู่พอรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่ง ก็มีคนพบศพของแกนอนตายอยู่ตรงริมชายป่าตรงจุดที่ผมเห็นคนยืนอยู่ในคืนแรกที่ผมมานั่นแหละครับลุงเซียงดูบอกว่าเด็กที่มาตามผมเมื่อคืนแกคงจะไม่ได้ตายดีหรือตายห่วงอันนี้ก็ไม่แน่ใจและคงเป็นเพราะว่าจิตยังห่วงยายอยู่ก็เลยไม่ยอมไปไหนแล้วส่วนยายแก่คอ ย, ยาวที่ผมเห็นเมื่อคืนก็เป็นยายของแกนั่นแหละครับที่ยังออกมาตามหาหลานอยู่ทุกคืน พอผมได้ฟังลุงเซงดูพูดก็เลยสงสัยว่าทําไมเขาทั้งสองคนยังต้องตามหากันอยู่ทั้งๆที่เป็นผีด้วยกันแล้วก็น่าจะเจอกันได้ง่ายๆไม่ใช่เหรอลุงเซิงดูบอกกับผมว่าเวลาที่เขาทั้งสองคนตายกับสาเหตุการตายมันคงต่างกันและก่อนที่เขาทั้งสองคนจะตายก็ไม่ได้เจอหน้ากันด้วยซ้ําวิญญาณก็เลยต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้จนกว่าจะได้เจอกันแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้น คนในหมู่บ้านลองทำทุกวิธีแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยมันทำให้พ่อแม่หนุ่มสาวต้องพากันย้ายเด็กๆวัยรุ่นให้ไปอยู่ที่อื่นกันให้หมดเพราะว่าเขากลัวนี่คงเป็นคําตอบว่าทำไมคนในหมู่บ้านนี้ถึงมีแต่คนแก่อย่างที่ผมได้เคยสงสัยไว้ในตอนแรกนะครับพอผมได้ฟังดังนั้นจากความกลัวก็เริ่มรู้สึกสงสารขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไง เพราะว่าลุงเซ็งดูก็บอกมาแล้วว่าเขาลองเอาทุกวิธีแล้วผมก็เลยถามลุงเซียงดูต่อไปว่าแล้วทำไมเด็กกับคนแก่เมื่อคืนถึงต้องมาหลอกผมด้วยล่ะผมก็เลยได้คำตอบกลับมาว่าเด็กคนนั้นคงรู้สึกโกรธแค้นหมอคนที่เธอไปเรียกและไม่ยอมไปส่วนยายแกที่เขาวิ่งตามก็เพราะว่าเขาอยากเห็นหน้าผมเฉยๆว่าใช่หลานของแกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แกก็จะเลิกตามหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้น ผมก็อยู่ในหมู่บ้านนี้ต่ออีกหนึ่งอาทิตย์ครับเพราะว่าทนไม่ไหวจริงๆทุกคืนจะมีเด็กผู้หญิงมาเรียกผมพอผมไม่เปิดประตูแกก็จะมาทุบประตูบ้างขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้างหรือไม่ก็ส่งเสียงเรียกผมจากใต้ถุนตรงตำแหน่งที่ผมนอนแหมเจอแบบนี้เป็นสีก็คงจะไม่ทนแล้วล่ะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้แต่เมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งได้ข่าวจากเพื่อนๆหมอด้วยกัน